วันนี้พวกเราก็ได้เข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งมาหาแสงสว่างแห่งธรรมที่จะทำให้พวกเรามีดวงตาเห็นธรรมกันเห็นความจริงที่ถูกความหลงคือโมหะความมืด คืออวิชชาปกปิดทำให้เราไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามีกันหรือกำลังแสวงหากันพราะเรามองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราแสวงหากัน เราจึงทุกข์กันเพราะสิ่งต่างๆที่เราแสวงหากันหรือมีกันนี้มันเป็นทุกข์นั่นเองไม่ใช่เป็นสุขแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรงธรมมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินได้ฟัง คำสอนที่ทรงสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งของต่างๆที่เรามีอยู่จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไป เวลาที่เรามีการพัดพรากจากกันเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เรามีความทุกข์กันและขณะที่เราอยู่ด้วยกันกับสิ่งต่างๆเราก็มีความทุกข์กับความวิตกกับความกังวลกับความห่วงใยเพราะเราไม่อยากให้สิ่งต่างๆ ที่เรามีอยู่หรือบุคคลต่างๆที่เรามีอยู่นี้ต้องพัดพาคจากเราไปแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆหรือตัวเราเองพัดพาคจากกันเพราะนี่คือความจริงของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นกันว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราของต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสัตเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของที่ไม่ใช่ของเราทั้งนั้น เป็นของที่จะต้องมีการพัดพาคจากกันร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราเช่นเดียวกันร่างกายของเรานี้ก็จะต้องมีการพัดพาคจากเราไปแล้วเราคืออะไรถ้าเราไม่ใช่เป็นร่างกายพระพุทธเจ้าบอกว่าเราคือใจเราไม่ได้เป็นร่างกาย ใจของเรานี่แหละใจนี่แหละเป็นของเราอย่างที่แท้จริงเรามีสมบัติอยู่อันเดียวเท่านั้นที่เป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วของต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรามีอยู่ ก็จะต้องจากเราไปหมดเราจะต้องจากเขาไปเราก็จะไปกับใจใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดอื่นต่อไปถ้าทำบุญมากกว่าทาบาปก็จะได้ไปเป็น เทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างไปเป็นพระอริยบุคคลบ้างเช่นเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ส่วนใจถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้าง นี่คือเรื่องของตัวเราเรื่องของใจที่จะต้องเปลี่ยนไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำกันในแต่ละวันบุญและบาปที่เราทำนี้ก็จะสะสมกันเหมือนกับเราสะสมเงินทองเก็บหอมรอมเร็เื่อ ถ้าเราเก็บเงินวันละบาทสองบาทเนี่ยปีหนึ่งเราก็ได้หลายร้อยบาทสิบปีก็ได้หลายพันบาทบุญกับบาปก็เป็นลักษณะนั้นเวลาที่เราทำบุญเราก็เก็บบุญกันสะสมบุญกันสะสมความสุขสะสมความเย็นสะสมความอิ่มใจเวลาที่เราทำบา เราก็จะสะสมความร้อนความหิวความทุกข์ของใจแล้วมันก็จะสะสมไปไเรื่อยๆพอถึงวันที่เราต้องทิ้งร่างกายไปบนและบาปที่เราสะสมกันก็จะมาต่อสู้กันมา ดูว่าใครมีพลังมากกว่ากันถ้าบาปมีพลังมากกว่ากันบาปก็จะทําให้ใจไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกถ้าบุญมีกาลังมากกว่าบุญก็จะพาให้ใจไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคล นี่แหละคือใจของพวกเราและพบหรือความเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอันนี้แหละจะเป็นของเราเวลาที่เราทิ้งร่างกายไปแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราจะต้องทิ้งมันไปวันใดวันหนึ่งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราได้จากร่างกายจากการทำงานของร่างกาย จากการสรรหาของร่างกายก็จะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เราจะเอาลาบยศสรรเสริญเอารูปเสียงกลิ่นรสของบุคคล น, นั้นของบุคคล น, นี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปกับเราไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปเราจึงต้องทุกข์กันแต่ความทุกข์ของเรานี้ ก็เกิดจากการที่เราไม่อยากจากสิ่งเหล่านี้ไปนั่นเองเรามีอะไรแล้วเราจะมีความผูกพันเราจะมีความยึดติดกับสิ่งที่เรามีกันแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมีการพัดพากจากสิ่งที่เรามีกันเราจึงต้องทุกข์กันแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรม มารับแสงสว่างแห่งธรรมเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมที่จะทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรามีความผูกพันมีความยึดติดที่จะทำให้เราต้องทุกข์กันนั้นทาให้เราไม่ต้องทุกข์กันได้เวลาที่เราพัดภาคจากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรม เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะทำแสงสว่างแห่งธรรมจะบอกให้เราเตรียมตัวเตรียมใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ให้เรามองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เป็นเหมือนของที่เรายืมมาไม่ได้เป็นของเราของอันใดที่เรายืมเขามา เราก็ต้องคืนเจ้าของไปไม่ช้าก็เร็วเจ้าของก็จะก็มาทวงมาขอคืนและเราก็ต้องคืนไปเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราขอยืมเข้ามาอันนี้คือแสงสว่างแห่งธรรมที่พวกเราไม่มีกันจึงทําให้เรามองไม่เห็นว่า ของต่างๆนั้นเป็นของที่ยืมเขามาเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของที่เรายืมเขามาไม่ได้เป็นของเราไม่สามารถจะอยู่กับเราไปได้ตลอดเราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราได้สักวันหนึ่งจะต้องคืนเจ้าของไป ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีดวงตาเห็นธรรมที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเรานั่นเองแต่เราบัดนี้เราได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมแล้วที่จะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมกันให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ ในขณะนี้เราจะต้องคืนเจ้าของไปเพราะเป็นของที่เรายืมเขามาถ้าเรารู้ว่าเป็นของที่เรายืมเขามาเวลาที่ถึงเวลาที่เราจะต้องคืนเราก็ยินดีคืนให้เขาเราวางมัดจาไว้เวลาที่เรายืมของเขามานี้ถ้าเป็นบริษัทนี่เช่นไปยืมรถเขาไปเช่ารถเขา เขาก็จะให้เราวางมัดจาไว้หรือมีวางอะไรเป็นหลักประกันให้เราถึงเวลาเราจะต้องคืนเขาสิ่งที่เราจะวางไว้เป็นหลักประกันว่าเราจะคืนสิ่งต่างๆก็คือแสงสว่างแห่งธรรมนี่เองถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมก็เหมือนกับเราได้วางอ่า สิ่งที่มีค่าไว้เป็นหลักประกันสิ่งที่มีค่าสำหรับเราคืออะไรก็คือความสุขใจสบายใจนั่นเองเวลาที่เราจะคืนของเขาแล้วเราได้ความสุขใจสบายใจคืนมาเราก็จะยินดีคืนเขาไปอย่างง่ายดายการที่เราจะมีความสุขใจสบายใจ เราก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานี่เป็นของที่เรายืมเขามาแล้วเราก็เอาความสบายใจนี่เป็นหลักประกันเวลาเราคืนของเขาไปเราก็จะได้ความสบายใจกลับคืนมาเราก็ไม่เสียดายของที่เราจะต้องคืนเขาไปเพราะ เรารู้ว่าถ้าเราไม่คืนเขาแล้วเราจะได้ความทุกข์ใจกันนั่นเองแต่ถ้าเราคืนเขาเราก็จะได้ความสบายใจกลับมามันก็จะทําให้เรายินดีที่จะคืนของต่างๆที่เราไม่อยู่ให้กับเจ้าของเขาไปถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมที่คอยเตือนคอยสอนเราว่าเออ ของทั้งย่ะของต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้ไม่ได้เป็นของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราสามีภรรยาของเราบุตรธิดาของเราญาติสนิทนิสหายของเราร่างกายของเราเองเป็นของที่เรายืมเข้ามาะ เป็นของที่เราจะต้องคืนเขาไปถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมเป็นตัวรับประกันเป็นตัวที่คอยเตือนเราว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราถ้าเราไม่ยอมคืนเราจะทุกข์กันแต่ถ้าเรายอมคืนเราก็จะไม่ทุกข์กันปัญหาก็คือพวกเราไม่รู้กันนั่นเอง โลกเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมกันโลกเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราได้มาบุคคลที่เราได้มานี้เป็นของเราเราก็เลยไม่ยอมคืนไม่อยากคืนแต่พอถึงเวลาต้องคืนจะอยากไม่อยากเขาก็เอาไปอยู่ดีถ้าเรายอมเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมเราก็จะทุกข์กัน ตอ น, นี้เราไม่ยอมเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรายอมแล้วเราจะสุขเราจะสบายเราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไ ป, ปแทนที่จะสูญเสียสิ่งต่างๆไปอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจเราต้องมาสูญเสียสิ่งต่างๆไปอย่างอย่างทุกข์ใจอย่าง ไม่สบายใจเพราะเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีดวงตาเห็นธรรมที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่ว่าไม่ได้เป็นของเรามีของอันเดียวเท่านั้นที่เป็นของเราก็คือใจของเราและสิ่งที่เราสามารถบรรจุไว้ในใจของเราได้ก็มีอยู่สองอย่างคือ ความสุขใจเรื่อความทุกข์ใจความสุขใจก็เกิดจากการมีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะสอนให้เราไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรในโลกนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของของเราเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราต้องคืนของต่างๆที่เราได้จากโลกนี้คืนคืน คืนโลกนี้ไปโลกนี้เป็นเจ้าของของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของไข่เป็นสมบัติของโลกนี้โลกนี้เป็นเจ้าของเป็นของที่โลกนี้เขาให้เรายืมมาใช้ชั่วคราวแต่พอเวลาที่เราจะต้อง จากโลกนี้ไปเราก็ต้องคืนทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไปสิ่งที่เราติดตัวไปได้ก็คือความสุขใจกับความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบุญที่เกิดจากการทำบาปหรือที่เกิดจากการมีแสงสว่างแห่งธรรมหรือมีความมืดบอด น, นี่คือสิ่งที่ใจจะเอาติดตัวไปได้ คือความสุขใจที่เกิดจากการมีแสงสว่างแห่งธรรมที่ทําให้ทําแต่บุญอหรือถ้าหรือความทุกข์ใจที่เกิดจากความมืดบอดที่จะทําให้ไปทําบาปทํากรรมทําให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปเก่าเลาได้ ตอนนี้ก็มีฝนฟ้าเริ่มตกแล้วไม่ทราบว่าจะตกมากหรือตกน้อยก็นั่งรอสักแป๊บหนึ่งก็ได้ถ้าอย่างพอจะนั่งได้อาจจะเป็นการทดสอบใจดูว่าน้ำเทวดาผมน้ำมนต์ให้หน่อย อาบน้ำยังเปียกมากกว่านี้ยังเปียกได้ทำไมเปียกแค่น้ำสองสามหยดเท่านั้นทำไมจะเปียกไม่ได้เอีอันนี้ก็เรื่องของธรรมชาติเหมือนกันเรื่องของดินน้ำลมไฟฝนฟ้าอากาศก็ไม่ใช่เป็นของเราเหมือนกัน ถ้าจะย้ายก็มีศาลาสองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่หลังใหญ่ด้านหลังถ้าใครลุกก็ช่วยม้วนเสื่อเก็บให้หน่อยจะได้ไม่เปียกถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรม <c oughs> เราก็จะได้รู้ว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นของเราก็คือใจของเรา ที่ไม่มีวันจากเราไปไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนั่สิ่งที่เราจะเอาไปกับใจได้ก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจแล้วถ้าเรารู้จากวิธีสร้างความสุขใจเราก็จะเอาความสุขใจไปได้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะเอาความทุกข์ใจไปแทน อันนี้ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเราก็จะเอาทุกใจไปเพราะเราจะไปยึดติดกับของที่ไม่ใช่เป็นของเราแล้วพอเวลาที่เราต้องจากของที่ไม่ใช่เป็นของเราไปเราก็จะทุกข์ใจกันแต่ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้รู้ว่าของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ได้เป็นของเราไม่ควรที่จะไปยึดไปติดนะควรที่จะยินดีคืนเจ้าของเขาไปเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขจะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไป จานั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องพยายามเอาแสงสว่างแห่งธรรมนี้มาเข้าสู่ใจของเราเพื่อให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้คือลาบยศสรรเสริญคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาษนี้ไม่ได้เป็นของเราะ ร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งเราจะต้องมีการพลดพรากจากกันและวิธีที่จะทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือเราจ้องมาทำใจให้สงบกันเวลาที่เราทำใจให้สงบใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ปล่อยวางราบยศสรรเสริญปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายปล่อยวางร่างกายอพอเราปล่อยวางได้แล้วเวลาที่เราจะต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไป ไม่มีวันสิ้นสุดเราพร้อมที่จะให้สิ่งต่างๆจากเราไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการพัดพลากจากกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเกิดได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราจะต้องมีการพัดพลากจากกันและวิธีที่จะพัดพลาดจาก การอย่างมีความสุขก็คือเราต้องมาทำใจให้สงบกันใจสงบแล้วใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ได้ตอนที่เรานั่งสมาธิเราใจสงบตอนนั้นเราก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราว ดังนั้นเราก็ถ้าอยากจะพัดภาคจากสิ่งต่างๆอย่างไม่ทุกข์อย่างสบายใจเราก็ต้องมาหัดปล่อยวางกันหัดนั่งสมาธิกันหัดเจริญสติกันแล้วเราจะมีความสุขใจอิ่มใจแล้วจะทําให้เราไม่เดือดร้อนเวลาที่เราจะต้อง มีการจากสิ่งต่างๆไปถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราจะทำใจไม่ได้เราจะปล่อยวางไม่ได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราที่เราจะต้องพัดพากจากกันไปแต่พอถึงเวลาเราก็ยังมีความอยากไม่ไม่อยากพัดพากจากกัน แต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับการพัดพาดจากสิ่งต่างๆไปอดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการมาหัดนั่งสมาธิกันหัดปล่อยวางกันเวลาเรานั่งหลับตา ดูลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ดีเวลานั้นเราไม่สนใจกับลาบยศสรรเสริญไม่สนใจกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจกับร่างกายก็แสดงว่าเรากำลังเริ่มหัดปล่อยวางกันเวลานั่งหลับตาดูลมหายใจบริกรรมพุทธโธนี่เป็นเวลาที่เรากำลัง ปล่อยวางสิ่งต่างๆอเรายังนั่งไม่ได้นานและนั่งไม่ถึงขั้นที่ปล่อยอย่างจริงจังนั่งอยู่เนี่ยนั่งแบบกําลังต่อสู้กันระหว่างการปล่อยกับการไม่ปล่อยถ้าเราเผลอไม่ได้พุทโธไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกเราก็จะกลับไปคิดถึงราบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงร่างกาย มันก็จะทำให้เรากลับไปยึดติดกับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราดึงกลับมาได้ดึงให้มาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปได้เราก็ปล่อยวางได้ในตอนต้นนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างความยึดติดกับความไม่ยึดติดระหว่างการมีพุโทโธหรือกับการไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็แสดงว่าเรากำลังไปยึดติดกับสิ่งต่างๆอยู่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธก็แสดงว่าเรากาลังปล่อยสิ่งต่างๆแล้วถ้าพุโทโธของเรามีกำลังมากกว่ามันก็จะเด้งให้เราเข้าไปสู่จุดที่เราปล่อยวางได้จริงๆก็คือเวลาจิตรวมเป็นสมาธิ เวลาที่จิตตกหนุมตกบ่อหรือวูบลงไปแล้วก็นิ่งแต่วูบแบบไม่หลับวูบแบบดูตัววูบว่ากำลังจิตกำลังนิ่งจิตกำลังสบายจิตกำลังไม่ต้องพุโทโธแล้วเพราะไม่มีอะไรดึงจิตให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจิตได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวไม่นาน ก็กำลังของสติก็จะอ่อนลงของกำลังสติอ่อนลงกำลังของความอยากความโลภ ก, ก็จะมีกำลังมากขึ้นกำลังของความหลงของความมืดบอดก็จะมีกำลังมากขึ้นก็จะดึงจิตให้กลับไปยึดไปติดกับราบยึดสรรเสริญยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นรสใหม่เราก็ต้องดึง ใช้พุทธโธแยกออกมาใหม่บริกรรมพุทธโธต่อไปหรือถ้าไม่บริกรรมพุทธโธถ้าเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเอเรียบทแต่ใจเรายังทำงานต่อได้จะใช้พุทธโธต่อก็ได้หรือจะใช้ปัญญาใช้แสงสว่างแห่งธรรมมาสู้กับความมืดบอดก็ได้แสงสว่างแห่งธรรมก็คือสัพเพ昙ธธมาอนัตตา ของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นของเรานี้เป็นของเราเพียงชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนะสักวันหนึ่งจะต้องมีการพัดพากจากกันอย่างแน่นอนเราไม่ต้องสงสัยเพราะเราดูคนอื่นได้คนที่เขาตายไปนี่เขาอะไรเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตาม ตายไปก็ต้องทิ้งเอาไว้จะเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านตายไปก็ต้องทิ้งสมบัติเอาไว้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ร่างกายนี้ก็เป็นของโลกนี้เดี๋ยวเขาก็เอากลับไปคืนโลกเอาไปฝังก็ได้เอาไปเผาก็ได้เอาไปลอยอังคารเผาแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าแล้วก็ไปลอยอังคารก็เอาคืนโลกไปนั่นเอง เป็นของโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราเห็นนกันชัดๆอยู่เห็นจากตัวอย่างของคนอื่นเราก็เป็นเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นเขามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรเขามีตำแหน่งสูงมากน้อยเพียงไรเขามีการสรรเสริญยกย่อนยกย่อง เยินยอมากน้อยเพียงไรเขาก็ต้องเสียสิ่งเหล่านี้ไปหมดเขาต้องเสียร่างกายของเขาไปเราก็เหมือนกันเราก็ต้องเสียร่างกายของเราไปเราก็ต้องเสียลาบยศสรรเสริญที่เรามีอยู่ไปเราก็ต้องสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปอันนี้ไม่น่าเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเลยเพราะมีตัวอย่างให้เราเห็นอยู่แล้ว แต่เราไม่ยอมมองกันนั่นเองการไม่มองกันมันก็เลยทำให้เราลืมทำให้เราคิดว่าเราจะไม่มีการสูญเสียเหมือนผู้อื่นเขาสูญเสียกันนี่คือปัญหาของพวกเราคือเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราไม่เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆนี้ไม่ได้เป็นของเรา สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นของเราบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราถ้าเราคอยเตือนอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราเกิดการสูญเสียเกิดการพาดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเราจะไม่ร้องหม่มร้องไห้เพราะว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมใจ ปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาถ้าเราก็ปล่อยเป็นแล้วถ้าเรานั่งสมาธิเป็นถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่เป็นเวลาเราคิดว่าของต่างๆไม่ใช่เป็นของเราเราก็ยังไม่ปล่อยเพราะเรายังปล่อยไม่เป็นถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเราจะต้องเสียสิ่งต่างๆไปแต่พอเวลาเสียเราก็ยังเสียอกเสียใจกันเพราะเรา ไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิกันไม่ได้ฝึกปล่อยวางกันเพียงแต่ฝึกสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นของเราจะต้องมีการพัดพาจากเราไปแต่พอถึงเวลาที่พัดพาจากกันเราก็ทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิเป็นแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป พอเวลาถึงเวลาที่จะพัดพากจากกันเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์ใจเพราะเราจะปล่อยได้เพราะเราจะยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะเตรียมตัวเตรียมใจคืนของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไปดังนั้นสิ่งที่เราจาเป็นจะที่จะต้องทำก็มีสองอย่างคือพยายาม สร้างแสงสว่างแห่งธรรมให้เกิดขึ้นอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็คือคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าสัพเพธมาอนัตตาของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเป็นของที่เรายืมมาชั่วคราวเท่านั้นแล้วข้อที่สองก็คือเราต้องมาหัดปล่อยวางมันในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นของเรา เราก็ต้องมาหัดปล่อยกันเพราะถึงแม้ว่าจะรู้แต่ใจยังไม่ยอมปล่อยเพราะยังปล่อยไม่เป็นเพราะยังมีตัวที่คอยผูกใจให้ยึดให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นของเรานั่นเองเราก็ต้องมาแกะไอ้ตัวที่ยึดติดยึดยายึดใจให้ติดกับสิ่งต่างๆตัวที่ยึดติดก็คือตัวอุปทานตัวกิเลสตัณหานี่เอง ตัวความอยากตัวความโลภเราสามารถที่จะแกะหรือตัดตัวเหล่านี้ได้ด้วยการนั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบ เ, เราก็จะแกะอุปทานแกะความโลภความอยากได้ในสิ่งต่างๆไปเราเวลานั่งสมาธินี้เราปล่อยวางทุกอย่างนั่นเอง ตอนที่ใจสงบนี้ใจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญไม่มีความเกี่ยวข้องกับร่างกายเลยปล่อยวางได้พอเราปล่อยวางได้แล้วเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็สอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดเวลาจะกลับไปยึดไปติดก็สอนใจว่ามันไม่ได้เป็นของเรา เราจะต้องฟัดภาคจากมันไปวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าเราไปยึดติดเดี๋ยวเวลาจากกันก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดติดมันก็จะไม่ทุกข์นี่คือการสอนใจด้วยแสงสว่างแห่งธรรมแล้วก็ปฏิบัติใจให้มีกำลังที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆตามที่แสงสว่างแห่งธรรม ได้สอนใจได้บอกใจไว้เราต้องมีสองอย่างมีแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาและมีกําลังของใจคือสมาธิที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆถ้าเรามีสองอย่างแล้วสองอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้จะทําให้เราไม่เกิดความทุกข์ใจกับเวลาที่เราจะต้องเกิดการพัดพาดจากกัน ใจของเรานี้จะไม่รู้สึกอะไรใจของเราจะรู้สึกสงบสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าจะเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี เข้าหาพระอริยสงสาวกก็ดีท่านก็จะให้แสงสว่างแห่งธรรมเหมือนกันก็คือท่านจะสอนจะบอกพวกเราว่าสัพเพธรมมาอนัตตาของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรามีอยู่กันนี้ที่เราแสวงหากันอยู่นี้มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นสมบัติชั่วคราวสมบัติผัดกันชมเหมือนกับตำแหน่งต่างๆ เป็นนายกพอนายกตายไปตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปสมบัติต่างๆที่มีอยู่พอตายไปสมบัตินี้ก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปอยัางเรียกว่าเป็นสมบัติผัดกันชมเป็นสมบัติชั่วคราวไม่ว่าใครจะมาได้ก็ได้ไว้ชมเดียวๆแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความทุกข์ความเสียใจ เพราะยังอยากที่จะมีสมบัติเหล่านี้อยู่นั่นเองแต่คนที่มีแสงสว่างแห่งธรรมมนดวงตาเห็นธรรมก็จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเหล่านี้รู้ว่าเป็นสมบัติชั่วคราวพอเวลาจากไปก็จากไปอย่างสบายใจไปแบบไม่กลับมาเพราะไม่มีความเสียดายไม่มีความอะไรอววร ไม่มีความอยากได้สมบัติเหล่านี้อีกต่อไปนก็ไปแบบไม่กลับหรือไม่กลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่เพื่อมาหาสมบัติชั่วคราวนี้ใหม่เแต่ถ้าจากไปด้วยความอะไรอาวรด้วยความเสียดายนตายไปกลับก็จะกลับมาใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาหาสมบัติเหล่านี้ใหม่แล้วก็ต้องมาตายแล้วก็ต้องมาทุกข์ เวลาที่จะต้องพัดพากจากสมบัติเหล่านี้ไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มามามาชี้บอกว่าสมบัติต่างๆในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราวไม่ควรไปยึดไม่ควรไปติดควรปล่อยวางควรปล่อย ควรอย่าควรอย่าไปถือว่าเป็นสมบัติไม่ควรไปเพึ่งสมบัติเหล่านี้มาให้ความสุขให้มาหาสมบัติที่แท้จริงที่เป็นของเราไปตลอดดีกว่าก็คือความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางสมบัติต่างๆด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ไม่ไปหลงไปหา สมบัติชั่วคราวกันให้หาสมบัติที่ถาวรกันก็คือหยุดความอยากหยุดการปล่อยหยุดการยึดติดกับสิ่งต่างๆแล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขที่ดีกว่าที่มากกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงเกล็ดนสดต่างๆนี่คือ สิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นของเราและอะไรไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราก็จะได้มาหัดอปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราแล้วหัดมาหาสิ่งที่เป็นของเราปล่อยวางราบยศเสริญปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยวางร่างกายแล้วก็มาหาสมบัติที่เป็นของเรา สมบัติที่เป็นของเราก็คือความสงบนี่เองความสงบที่เกิดจากการควบคุมใจให้ให้ระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ระ ง, งับความอยากได้สิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้สมบัติที่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบออันนี้แหละเป็นความ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบของใจสุขมากกว่าสมบัติกองเท่าภูเขาสุขมากกว่าการเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีสุขมากกว่าการได้รับการยกย่องสรรเสริญเยือนยอสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดถพ่วคือความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เกิดจากการระ ง, งับความคิดปรุงแต่งระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยอานาจของสติและอํานาจของปัญญาดัางนั้นสิ่งที่เราต้องมาทำกันที่เรายัางไม่มีกันก็คือสติและปัญญานี่เองถ้าเรามีสติเราก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะตัดความอยาก ได้สิ่งต่างๆให้หมดไปจากใจได้ตอนนี้เรายังไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจึงนั่งสมาธิกันไม่ค่อยได้นั่งแล้วใจยังไม่สงบนั่งได้เดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวใจก็กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสกลับไปหาลาบยดสันลเสริญสุขใหม่เรายังไม่มีปัญญาที่จะสอนเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของเราหามาเหนื่อยไปเปล่าๆ หามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเขาไปอย่าไปหามันมาดีกว่าคือเดี๋ยวก็ศูนย์ตอนนี้เราศูนย์เราอยู่กับศูนย์ดีกว่าลอนนี้ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็อย่าไปหามันดีกว่าเพราะหามาถ้าเป็นแทบตายในที่สุดก็ต้องคืนเขาไปอยู่ดีนี่คือปัญญาที่เรายังไม่มีกันเราจึงยังอยากไปหาสิ่งต่างๆกัน ยังอยากไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญยังอยากจะไปหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะกันเราจึงต้องมาสร้างสติมาสร้างปัญญากันสร้างสติด้วยการเราเลึกถึงพุโทโธพุโทโธเลือคอยดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาที่เราไม่ได้นั่งเวลาที่เราทำอะไรต่างๆเราจะใช้คำบิกรรมพุโทโธคอย ดึงใจไว้ก็ได้หรือคอยเฝ้าดูร่างกายดูการกระทาต่างๆของร่างกายเป็นเครื่องดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ได้เรียกว่าเป็นการสร้างสติเป็นการเจริญสติถ้าใช้พุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าใช้ร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติสติเช่นกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกาลังยืนก็รู้ว่ากลังยืน กำลังรับประทานก็รู้ว่ากำลังรับประทานกำลังอาบน้ำก็รู้ว่ากำลังอาบน้ำไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทาอยู่เพียงอย่างเดียวเรียกว่าเป็นการเจริญสติโดยใช้ร่างกาย เ, าเป็นเครื่องมือถ้าใช้พุทโธก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องมือถ้าเรามีสติอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ใจของเราก็จะไปคิดไปอยากกับสิ่งต่างๆไม่ได้แล้วเวลาเรามีเวลาว่างเรามานั่งเฉยๆใจเราก็จะปล่อยวางได้อย่างเต็มที่ใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบปล่อยวางสิ่งต่างๆได้พอเรามีกำลังปล่อยวางสิ่งต่างๆได้แล้วต่อไปถึงเวลาที่เราจะต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆ ถ้ามีปัญญามาสอนว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดมันไม่ใช่เป็นของเราถ้ายึดจะติดถ้ายึดติดแล้วจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยเขาไปคืนเขาไปเอามีปัญญาบอกให้คืนแล้วเรามีกำลังที่จะปล่อยเราก็ปล่อยได้เลยเราก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าเวลาที่เราสูญเสียราบยศสรรเสริญ สูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเลยใจของเรายังจะสุขสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องคืนร่างกายเข้าไปเราก็จะคืนได้อย่างสบายจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเลยเพราะเรามีสติมีปัญญาคอยกากับใจคอยสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับสิ่งต่าง ให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราถ้ายึดถ้าติดแล้วจะทุกข์มากดูคนที่ยังยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเวลาที่เขาสูญเสียสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆไปนี้เขาจะเศร้าส้อยหงอยเหงาหาความสุขใจไม่ได้เลยทั้งๆที่รู้อยู่ว่าต้องพัดพากจากกันแต่พอถึงเวลาก็ทำทำใจไม่ให้เศร้าหมองไม่ได้ พอปล่อยวางไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึกทาสมาธิกันไม่ฝึกเจริญสติกันดังนั้นการเจริญสติการนั่งสมาธินี้เป็นการปฏิบัติที่สำคัญมากเป็นการหาทรัพที่แท้จริงหาความสงบที่จะเป็นที่คุ้มครองจิตใจไม่ให้ทุกเวลาที่เกิดการสูญเสียเกิดการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆไปนี่คือหน้าที่ของพวกเรา ขั้นแรกก็คือเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อรับแสงสว่างแห่งธรรมเมื่อเราได้รับแสงสว่างแห่งธรรมคือได้รับความความรู้ที่จะสอนให้เราไปสร้างดวงตาให้มีดวงตาเห็นธรรมเราก็ต้องนําเอาความรู้ที่เราได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปสร้างดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญปัญญานี้เองอ ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้อย่างที่พระอญญาญยโกนทัญญาได้ได้กระทํำหลังจากที่ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอญญาญยโกนทัญญาก็เป่งวาจาออกมาว่าธรรมไดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ต้องเห็นแล้วว่าของต่างๆจะต้องมีการพัดพากจากกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนะมีมาแล้วก็ต้องมีไปเป็นธรรมดาไม่ต้องทุกข์กับมันถ้าปล่อยวางมันถ้ายอมให้มันไปที่ทุกข์กันก็เพราะว่าไม่ยอมปล่อยหรืออยากจะปล่อยแต่ก็ปล่อยไม่เป็นถ้านั่งสมาธิไม่ได้จะปล่อยไม่ไ ด, จไได้จะปล่อยไม่เป็นถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไม่ใดเป็นของเรา หนึ่งแม้จะรู้ว่าจะต้องพัดพากจากกันถ้าไม่มานั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางก็จะไม่มีวันที่จะปล่อยวางได้ดังนั้นเราอย่ามองข้ามการนั่งสมาธิเป็นอันขาดเพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญ 50% ของของการหลุดพน้นต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาประกอบกันถึงจะเป็นครบร้0ยเปเ สมาธิก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ปัญญาก็จะเตือนใจให้ปล่อยไม่ให้ฝืนไม่ให้ยึดไม่ให้ติดพอปัญญาบอกปล่อยอย่าไปยึดอย่าไปติดสมาธิก็จะปล่อยได้ทันทีถ้ามีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิปัญญาบอกให้ปล่อยใจก็ไม่ปล่อยเพราะปล่อยไม่เป็นเพราะยังไม่มีสมาธิจึงต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีความสงบ ที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะที่เข้าไปในสมาธิแล้วก็มีปัญญาคอยสอนใจเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปล่อยสิ่งต่างๆปัญญาก็จะบอกว่าไม่ใช่เป็นของเราต้องปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะอยู่เขาจะไปก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการเข้ามาหาแสงสว่างแห่งธรรมะ เพื่อทำให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมก็สแสดงว่าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องพากเากจากกันเราก็จะไม่ทุกข์แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเพราะเราจะรู้ว่ามันเป็นกองทุกข์มันไม่ได้เป็นของเรา กลับมาหาได้เท่าไหร่มากน้อยก็ต้องคืนเข้าไปในที่สุดกลับมาให้เสียเวลาทำไมสู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสงบที่ใจเอาไปได้ความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางความสงบที่เกิดจากการมีแสงสว่างแห่งธรรมมีดวงตาเห็นธรรมนี่เองจึ่งขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อดวงตาแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกปะปติ อิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสเภปเรนโสกะปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโวินัสโตมาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขาโยโผว อาพิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธมมะาวะทาติอายุวโนสุขังภาลางังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากอยากถามปัญหา ก็ขอเชิญขึ้นมาถามที่ศาลานี้ผ่านทางไมโครโฟนได้เลยขออนุญาตให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาดังนั้นใครอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีคำถามก็จะให้พิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน แ้วไทยมีคำถามที่หลังก็เข้ามาถามได้คำถามจากทางบ้านจากคุณรัต ด, ดาพ่อค้าคิดราคาสินค้าที่เราซื้อเกินราคาไปมากรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์ครั้จะแช่งชักหักกระดูกก็เกงว่าจะผูกเป็นเวรกรรมไม่รู้จบผู้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทมควรทำข้อไหนดีคะระหว่างงดจ่ายส่วนเกินกับพ่อค้า หรือจ่ายแล้วตัดใจและ ว, วางอุเบกขาปล่อยให้โกถแทงกรรมดำเนินไปแตถ้าอ้อยมันเข้าปากช้างไปแล้วก็ต้องรอมันขี้ถึงจะได้คืนมาถ้าเขากลงไปแล้วก็ยากที่จะได้คืนมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนสอนเราเองก็แล้วกันว่าเรามันโง่ปล่อยให้เขามาโกงมาหลอกเราได้ แต่การไปมีเวรมีกรรมกันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ปัญหาก็คือต้องให้มีปัญญาให้ฉลาดให้ระมัดระวังให้รอบครอบอย่าให้ความโลภมาทำให้เราลถูกหลอกได้กา น, นก็ถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันแต่อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอาฆาตพยาบาท อย่าไปโทษเขาโทษตัวเราดีกว่าว่าเราโงก่กว่าเขาเขาถึงมาหลอกมาโกงเราได้ถ้าเราฉลาดกว่าเขาเขาก็ไม่มีวันที่จะมาหลอกมาโกงเราได้อย่าไปโทษคนอื่นเลยเพราะเราเนี่ยแหละเป็นตัวทําตัวเราเองคําถามจากคุณสอนเทสสภาวะที่เรียกว่าว่างกับสภาวะที่เรียกว่าเต็มต่างกันไหมครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่างกับเต็มเป็นยังไงถ้าน้ามันอยู่ในตุ่มถ้าน้ามันเต็มตุ่มจะเรียกว่ามันว่างมันก็ว่างไม่ได้ถ้าน้าถ้าตุ่มมันจะว่างก็ต้องไม่มีน้ำมันจะเหมือนกันได้อย่างไรคำว่าเต็มกับคำว่าว่างมันก็เป็นคำที่มันอยู่คนละทิศกันอยู่คนละมุมกันถ้ามันเต็มมันก็ไม่ว่างถ้ามันว่างมันก็ไม่เต็มคาถามจากคุณสมศักดิ์ ข้อที่หนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังติดวัตถุมงคลชอบเช่าหาวัตถุมงคลมาบูชาจะทำอย่างไรดีครับเอา่ามันเป็นตัวเราเองหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเราก็หยุดเช่าเสียก็เอาแต่การปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ของแท้ของจริงส่วนวัตถุมงคลนี้เป็นของปลอมอถ้าเป็นตัวเราเราก็เลิก เช่าเสียมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นก็ปล่อยเขาไปไม่ใช่เรื่องของเราข้อที่สองเราจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมของเราดำเนินมาอย่างถูกต้องเราจำเป็นต้องมีครูอาจารย์คอยชีน้แนะอย่างต่อเนื่องหรือไม่ครับก็มีเป็นระยะระยะเป็นเป็นช่วงเป็นช่วง คือช่วงแรกก็ต้องรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ผลก็มาแจ้งมารายงานให้ทราบว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วทำไมไม่ได้ผลอาจารย์เขาก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะบอกว่าอ่ะควรจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปอก็ไปทำต่ อ, อก็ต้องมีการเข้าหากันอยู่เรื่อยๆเป็นเป็นช่วงๆเป็นตอนๆไป แล้วแต่ความจำเป็นคำถามจากคุณชีวิตดีแต่ก่อนผมใช้คำภาวนาสวดบทอิติปิโสเฉพาะท่อนพุทธคุณทำอะไรก็สวดในใจจนหลับเหมือนไม่หลับเพราะใจจะสวดบทนั้นตลอดผมสอบถามพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านว่าภาวนายาวๆแบบนั้นไม่สามารถเข้าสมาธิได้ได้แต่ความสบายใจผมจึงเปลี่ยนมาภาวนาพุทธโธ เลยทำให้ใจผมตีกันจะภาณนาพุโทโธใจก็จะทวนมาอิติปิโสพอกลับมาอิติปิโสใจก็บอกจะสวดไปทำไมไม่มีประโยชน์กลับไปกลับมาจนไม่มีความสงบเป็นแบบนี้มาห้าปีแล้วครับผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับก็เราก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเราจะพุโทโธพุโทโธเราก็อย่าไปเอา ATP เสือ ต, ต้องกำกับใจต้องมีความหนักแน่นอย่าปล่อยให้ใจไหลไปไหลามาตามอารมณ์ถ้าจะเอาพุโทโธก็ต้องบังคับให้เอาแต่พุโทโธอย่างเดียวถ้าจะไป ATP เสือก็บอกอย่าไปกลับมาที่พุโทโธพุโทโธถ้าไม่มีความหนักแน่นมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะทํา อย่างใหม่นี้ได้ก็จะอยู่กับอิติปิโสไป yeah. คาถามจากคุณภาวิตาการทำประกันสุขภาพเราจะมีวิธีรู้ได้อย่างไรว่าเราทำไปเพื่อความไม่ประมาท เ, เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สบายแก่บุตรและตนเองทั้งที่ทราบว่าจะต้องมีความเจ็บปวดรออยู่เจ็บป่วยรออยู่แต่จะทราบอย่างไรว่าเราไม่ได้ทำเกินกำลัง หรือทําตอบสนองเพื่อกิเลสอยู่คะก็ดูที่ใจเราว่าเราทําเพื่ออะไรถ้าเราทําเพื่อเพื่อรักษาร่างกายเพราะวาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องรักษาร่างกายกันไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นพระอารหันต์ถ้าท่านยังรักษาร่างกายได้ท่านก็รักษาร่างกายไปแต่ขอให้ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันท่านั่นเอง ว่าเวลามันเป็นแล้วเราทุกข์หรือเปล่าหรือว่าเวลายังไม่เป็นเราทุกข์เรากังวลหรือเปล่าว่าไอ้ประกันที่เราซื้อนี่เมื่อถึงเวลาเราเป็นไม่สบายขึ้นมาแล้วเขาจะจ่ายให้เราหรือเปล่าอะไรในทำนองนั้นถ้าเป็นมีความกังวลมีความวิตก ก, ก็แสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่แต่ถ้าเราใช้ทาด้วยเหตุด้วยผลว่า ซื้อประกันมันก็ดีเพราะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้มีประกันจ่ายค่ารักษาให้กับเราเพราะเรายัางต้องดูแลรักษาร่างกายต่อไปตามตามปัจจัยนีคำถามจากคุณธัญญาพรข้อที่หนึ่งปกติจะสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันค่ะไม่มีอาจารย์สอนตามดูคำสอนของพระอริยใน YouTube และฝึกเองที่บ้าน นั่งแล้วจิตฟุ้งซ่านเป็นระยะสงบบ้างฟุ้งบ้างแต่ก็พยายามกลับมามีสติเร็วที่สุดขอพระอาจารย์แนะนําวิธีแก้าการฟุ้งซ่านมีวิธีอย่างไรบ้างคะก็ต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นคือไม่ใช่แต่จะเอาสติเฉพาะช่วงที่เวลาเรานั่งอย่างเดียวเราควรที่จะฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานี่เราก็สามารถ ฝึกสติจเจริญสติได้เราสามารถบริกรรมพุทโธพุทโธกู้กู้ไปกับการกระทําต่างๆของเราได้เช่นการกระทําที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าล้างตาแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารการกระทําเหล่านี้เราสามารถจเจริญสติได้สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธได้ ถ้าเราจเจริญสติได้บ่อยได้นานได้มากเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่เผลอสติจะไม่หลุดก็จะเข้าสู่ความสงบได้ข้อที่สองเคยได้ยินว่าการนั่งสมาธิต้องพิจารณาถึงความตายควรเริ่มตอนไหนคะอยู่ในคณิกาสมาธิเริ่มพิจารณาได้หรือไม่คะไม่ใช่เวลาพิจารณาความตายไม่ใช่เวลาทำสมาธิ เวลาทำสมาธิไม่ให้พิจารณ า, าให้หยุดคิดให้พุทโธพุทโธอย่างเดียว เ, เวลาจิตสงบอยู่ในคณิกะหรือใน อ, อ ป, ปนาก็ไม่ให้คิดไม่ให้อะไรทั้งนั้นให้นิ่งให้สงบไปเพียงอย่างเดียวจะคิดก็ต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วจาก น, นั้นก็คิดได้ทั้งวันเลยช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็คิดไปเลย เ, เกิดมาแล้วต้องตายต้องตายต้องตายาคิดมันไปบ่อยๆแล้วกิเลสมันจะตาย แทนที่เราจะตายกี่เลยมันจะตายไปก่อนคำถามจากคุณปฏิบัติธรรมข้อที่หนึ่งผมถือศีลห้าอยากจะถือศีลแปดแต่มีคู่ครองแล้วเคยตั้งสัจจะวาจาจะค่อยๆลดละเลิกแต่ไม่เคยเอาชนะใจตัวเองได้ภาพอสุภะกายคตาสติก็พิจารณาแพ้ตลอดพอจะมีวิธีบังคับจิตใจได้ไหมครับ ก็ต้องไปอยู่คนเดียวอย่าไปอยู่วันที่จะถือศีลแปดก็แยกกันอยู่อย่าอยู่ใกล้กันถ้าอยากจะให้มันได้ผลดีก็ไปอยู่ที่โรงศพไปอยู่ข้างๆศพเนี่ยบางวัดนี่เขามีโรงศพให้เราไปนั่งสมาธิไปถือศีลแปดถ้าเห็นศพ บ, บ่อยๆเยมันก็จะติดตาติดใจถ้าเราคิดนี่มันจะไม่ค่อยติดตาติดใจเหมือนกับไปเห็นของจริงอะ่างั้นถ้าอยากจะได้อสุภะ ที่จะอยู่ติดตาติดใจกับเราเราก็ต้องไปนั่งสมาธิหรือไปนั่งดูศพกันเพราะที่สองการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ขอทราบแนวทางปฏิบัติด้วยครับก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะไปนิพพานได้ถามต่อค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อ อันนี้คำถามของของหนูเองค่ะคือคนโง่อดีตที่เคยเคยโง่แล้วตอนนี้หนูปัจจุบันเนี้ยเคยฟังทมพระอาจารย์อยู่บ่อยๆแล้วคนที่เคยหลอกหนูว่าเจ้าค่ะแล้วแล้วหนูก็วางเฉยแต่แต่หนูก็มานั่งคิดว่าหนูต้องทวนทำหน้าที่เพราะว่าเงินที่เราสูญเสียไปเราก็ต้องอยากได้คืนหนูก็ทำหน้าที่ทวงแต่หนูก็ใช้คำพระอาจารย์เคยพูดไว้ว่าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ถือว่าทาบุญไปเจ้าค่ะ แต่หนูแต่หนูเอ่อทวงอะค่ะผิดไหมคะ อ, อ๋อไม่ผิดเราทำหน้าที่เป็นเงินของเราก็ไปเตือนเขาว่าขอคืนนะออของนี้ไม่ได้ให้ให้ยืมเมื่อถึงเวลาก็ควรจะคืนเพราะฉันก็ต้องมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเหล่า น, นี้การทวงเงินไม่มีไม่ใช่เป็นกิเลสเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นเหตุเป็นผล แต่จะอย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองเวลาทวงแล้วไม่ได้อย่าไปโกรธอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาเจ้าค่ะข้อที่สองหนูชวนน้องพิมพ์ชวนลูกนั่งสมาธิในห้องแล้วหนูก็นั่งแล้วก็เ อ, อน้องพิมพ์บอกว่าตอนที่ออกจากนั่งสมาธิอะน้องพิมพ์บอกว่าหนูอะเห็นแม่คนด้วยแต่หนูว่าไม่ได้หลับแนละ้วเจ้าคะหลวงพ่อหนูก็ฟุตโทรตลอดแต่ทาไมน้องพิมพ์บอกว่าหนูว่าโกรน ก็เวลาเรากกนเราไม่รู้ไงงั้นเชื่อคนที่เขาเห็นเราดีกว่าอย่าพยายามอย่าพยายามเถียงเขาเลยเขาไม่โกหกหรอกลูกเขาจะมาโกหกเราทำไมเวลาคนกกนมันจะไปรู้ได้ไงเพราะมันตอนนั้นมันหลับ หนูอ๋อแสดงว่าหนูที่หุูนั่งสมาธิหนูพูดโทดจริงแต่มันอาจจะมีช่วงที่เงียบใช่ไหมคับอ่าใช่มันมีช่วงได้ <c oughs> ช่วงที่เราคิดว่าเป็นสมาธิแต่มันกลนหลับไปก็ได้เล้ า, าค่ะค่ะอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะคะคือว่าเรามีปัญหาตอนนี้คืออึดอัดใจมากเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราอยู่คนเดียวต่อมาเนี่ยคุณแม่ป่วยคือล้มอะค่ะ ก็มาอยู่กับเราตอนนี้ก็คือเราก็รู้ว่าคุณแม่แก่แล้วท่านก็อยากจะทำอะไรให้ได้หนังใจที่ท่านเคยทำได้อยากให้ถูกใจทุกอย่างท่านก็อาจจะอยากให้เราทำสิ่งที่ท่านอยากได้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่คนเดียวมานานนะคะเราก็เลยอับใจก็แรกๆ ก, ก็มีการโต้เถียงกันหลังๆมาเนี่ยเรากา็ไม่อยากจะเถียงคุณแม่เราก็อดทนแต่ความอดทนเนี่ย มันก็มากขึ้นมากขึ้นทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็เวลาที่เราโกรธหรือว่าเวลาที่เราโมโหเนี่ยเราก็รู้สึกตัวเราก็นิ่งไปแต่ว่าความความอิดอาดใจมันยังไม่หายไปนะคะพระอาจารย์คือตอนนี้ยิ่งเราปฏิบัติแล้วเราก็เห็ น, เ ห, นเห็นความทุกข์ในใจของตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะเราต้องพยายามระลึกถึงบุญคุณของแม่ว่าตอนนี้เรากําลังมีโอกาสอันดีที่เราจะได้ทดแทนบุญคุณ อันยิ่งใหญ่ของแม่เพราะว่าถ้าไม่มีแม่นี้เราก็จะเกิดมาไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรให้กับแม่นี้มากน้อยเพียงไรบุญคุณของแม่ก็ยังมากกว่าที่เราจะทดแทนได้ดังนั้นให้เราคิดว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่เป็นการทำบุญแล้วเราจะมีความสุขอย่าไปอย่าอย่า พยายามมองถึงความดีของท่านมองถึงพระคุณของท่านถ้าเราไม่มีท่านเราจะเกิดมาเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เรามีได้มาก็พ่อมีแม่ให้กำเนิดกับเราถ้าเราอยู่ในท้องแม่แล้วแม่เขาไปกินยาขับเราออกนี่เราก็จะไม่มีวันมาเกิดมาทำสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่ได้ ดังนั้นการที่รับใช้แม่ทดแทนบุญคุณแม่นี้ก็เป็นเพียงค่าใช้ใจ่ายเล็กๆ น, น้อยๆที่เราต้องใช้เหมือนกับเราไปไหนมาไหนเดินทางขึ้นรถเราก็ต้องจ่ายค่ารถต้องจ่ายค่าแท็กซี่เราทำไมไม่รู้สึกอึดอัดกับการจ่ายค่าแท็กซี่เพราะถ้าไม่จ่ายเราก็ไม่สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกับการนั่งแท็กซี่ค่าใช้จ่ายก็คือการทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาของเราฉ <Yeah. S 1> นั้นเมื่อถึงเวลาเราต้องจ่ายเราต้องยินดีจ่ายเราอย่าจะเอาแต่รับอย่างเดียวถ้าเราคิดจะเอารับอย่างเดียวไม่ยอมจ่ายก็แสดงว่าเราเห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวจะใช้ของฟรีกินของฟรีอย่างเดียวไม่ยอมจ่ายเงินอย่างนี้ก็ จะมีใครเขาจะให้ให้เราได้ต่อไปดังั้นถ้าเรามองว่าเป็นการทดแทนบุญคุณเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วจะมีวิธีการอย่างไรครับคือปกติเราก็เป็นคนที่เอาติดใจตัวเองแล้วก็ใจร้อนพอแม่เช่นแม่อยากให้ทําอะไรแม่ก็จะให้ทําโดยทันทีก็คิดว่าเราเป็นคนรับใช้ท่านกันแล้วกันเราเป็นแจวแม่เขาจ้างเรามารับใช้เพราะฉะนั้น ท่าใช้อะไรทำทำทันทีเลยคิดว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่แม่ให้ชีวิตกับเรามาแล้วถ้าเกิดว่าเราเผลอเกิดความไม่พอใจอย่างเงี้ยเราจะใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธต้องบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราไม่พอใจพออยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยเเดี๋ยวมันก็จะลืมสิ่งที่ทําให้เราไม่พอใจ หรือพยายามคิดถึงบุญคุณของท่านอยู่เรื่อยๆคิดถึงความทุกข์ยากลำบากที่ท่านจะต้องเลี้ยงดูเรามาว่ามันยากว่ามากกว่าที่เราทำให้กับแม่ในตอนนี้คิดดูอุ้มเราอยู่ในท้องต้องก้าเดือนจะไปไหนมาไหนเหมือนเมื่อก่อนก็ไปไม่ได้จะไปร้องนำทำเพลงจะไปเที่ยวไปเล่นก็ทำไม่ได้คิดถึงความเสียสละของแม่ที่ให้กับเรามาแล้วคลอดออกมาเรานอน เวลาเราปวดท้องฉี่เปรผิวอะไรเราก็ร้องทั้งวันทั้งคืนแม่นอนหลับก็ต้องตื่นขึ้นมาจัดการกับเรานับใช้เราถึงเวลาที่เราจะต้องรับใช้แม่บ้างก็ถือว่าเป็นการทดแทนกันไปทดแทนบุญคุณกันไปค่ะขอบคุณอาจารย์คำถามจากทางเ c e b o o k Live จากคุณจักกะนะครับ เวลากิเลสบีบคั้นจิตใจหนักทำให้เกิดราคะโทสะขึ้นมาจะมีวิธีรับมืออย่างไรครับภาวนาพุทโธรัวรัวทีทีเข้าสู้ถูกต้องหรือเปล่าครับนี่ใช้พุทโธได้ก็ใช้พุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธแล้วเดี๋ยวพอเราไม่ได้ไปคิดถึงมันเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปจนีคุณอธิพันธ์นะครับในการพิจารณาเพื่อตัดกิเลสและทำทั้งหลาย จะทราบอย่างไรว่าพิจารณาเพียงพอแล้วครับก็เมื่อเราปล่อยวางมันได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันได้ไม่ทุกข์กับมันก็แสดงว่าพอถ้ายังทุกข์กับมันอยู่ก็ยังไม่พอจากคุณสมศักดิ์นะครับคือหากเราฝันถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปนานแล้วเราควรทําอย่างไรในฝันกําลังจะพาพ่อไปซื้อรองเท้า<ม>เราจะต้องไปทาสังฆทานด้วยรองเท้าหรือเปล่าครับ ก็ตามใจเราถ้าเราคิดว่าพ่ออาจจะต้องการรองเท้าเราก็ไปซื้อรองเท้าถวายพระไปหรือซื้อรองเท้าให้คนที่เขาไม่มีก็ได้ไม่ต้องถวายพระอย่างเดียวก็ได้มันก็เป็นการทําทานเหมือนกันอุทิศบุญที่เกิดจากการทําทานได้เหมือนกันจะคุณดาลินดานะครับถ้าเราอยู่กับคนที่อารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือเวลาไปทําบุญมาแล้วอารมณ์ไม่ดีถือว่าเป็นกรรม ของเราหรือเปล่าเจ้าคะก็ถือว่าเราต้องมาอยู่กับเขาจะเรียกว่าเป็นกรรมหรือเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เราต้องมาพิจารณาว่าจะอยู่กับเขาอย่างไรแล้วเรามีความสุขจะดีกว่าการที่จะอยู่กับใครแล้วมีความสุขเราก็ต้องปล่อยวางเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเปลี่ยนเขาเขาอยากจะเป็นะมะนาวก็ปล่อยเขาเป็นมะนาวไป อย่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นมระกรหรือเป็นหรือเป็นทุเรียนมันเปลี่ยนไม่ได้ต้องปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาพยายามอยู่ห่างๆกันจะคุณสมเกียรตินะครับเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราตัดกามสันทะได้ครับก็เมื่อเราไม่อยากกินกาแฟเราไม่ดื่มกาแฟก็ได้ไม่สูบบุหรี่ก็ได้ ไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงก็ได้ไม่มีแฟนก็ได้นี่ก็ถือว่าเราตัดได้ถ้าเรายังต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็แสดงว่าเรายังตัดไม่ได้จากคุณลัต ด, ดานะครับในกา ร, รเผชิญกับทุกข์ทั้งปวงฟังธรรมและทมสมาธิแล้วทำให้พบ ว, ว่าสามารถทำจิตให้ว่างๆสงบสุขในใจได้รวดเร็วไม่ว่าการแก้ไขทุกข์ไปทางใดก็ตามใจก็ไม่ทุกข์ขอต้รับครับ เป็นการบอกเราล่าะ บ, บอกเราอท่านน่ะครับคุณวันคืนล่วงไปนะครับไปวัดบางแห่งเห็นโยมบางท่านถวายปีโป้เจลาตินนะครับให้พระไว้ฉันตอนบ่ายเลยสงสัยว่าเป็นปีโป้ถ้าเอาเข้าปากต้องเคี้ยวจะฉันได้หรือครับคือของเคี้ยวไหมเคี้ยวนี่มัน ไม่ไม่ใช่เป็นตัววัดว่าจะฉันได้ไม่ฉันไม่ได้ในตอนบ่ายสิ่งที่จะวัดว่าฉันได้ไม่ได้ก็คือว่าสิ่งที่จะฉันนี่มันอยู่ในอยู่ในกลุ่มไหนถ้าอยู่ในกลุ่มของอาหารก็ไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้เคี้ยวเช่นอาหารเสริมเช่นนมโอวันตินพวกนี้ดื่มไม่ได้เคี้ยวก็ถือว่าเป็นอาหารก็รับก็ฉันไม่ได้แต่ของบางอย่างที่เขาใช้เป็นยาเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ย ที่ต้องเควอย่างนี้ถ้าถือว่าเป็นยาก็ก็กินได้ฉันได้งั้นก็ต้องศึกษาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่จะถวายพระนี่อยู่ในกลุ่มไหนถ้าอยู่ในกลุ่มอาหารก็ต้องรอถวายในช่วงก่อนก่อนเพลิหรือในช่วงที่กําลังท่านกําลังจะฉันถ้าเป็นกลุ่มอาหารนี่ไอ้ถ้าเป็นกลุ่มยานี่ก็ถวายได้ตลอดเวลาเพราะท่านสามารถรับและเอาไปฉันได้ตลอดเวลา ถ้าคุณพาวิตานะครับเคยภาวนาแล้ววันหนึ่งเห็นว่าไม่มีตัวเรารู้สึกกลัวมากทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เป็นการเห็นแบบไม่ถูกเพราะถ้าเห็นว่าไม่มีตัวเรามันจะไปกลัวได้ยังไงนี่เห็นแบบกิเลสมันก็เลยกลัวเกิดความกลัวขึ้นมากิเลสทาให้เรากลัวทำนี้จะทาให้เราไม่กลัวนั้นการเห็นแบบนี้ยังไม่ใช่เป็นการเห็นที่ทถูกต้อง การเห็นที่แท้จริงมันจะต้องไม่มีอะไรจะเห็นแต่ตัวรู้ตัวเดียวมันถึงจะรู้ครับตอนนี้คำถามหมดครับอาจารย์อ๋อจากคุณดในัยนะครับระหว่างการปล่อยวางกับการดูดายนิ่งดูดดยนะครับผมคงนิ่งดูได้มันต่างกันไหมครับต่างกันพรถ้าเวลานิ่งดูไดในขณะที่เรายังสามารถช่วยเหลือเขาได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการนิ่งดูได้ การปล่อยวางแต่ถ้ายังช่วยเหลือใครได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ได้เชื่อช่วยเหลือด้วยความยึดติดว่าช่วยแล้วจะต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยไปตามกำลังได้อะไรก็ทำไปตามกำลังแต่จะไม่มีความทุกข์ใจหรือเสียใจหรือดีใจจากการที่ได้ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาแล้วเขาดีขึ้นก็ดีไปช่วยเหลือแล้วเขาไม่ดีขึ้นก็แล้วไปแต่ช่วยเพราะมีเหตุมีผลบังคับให้ช่วย แต่ไม่ได้ช่วยด้วยความอยากหรือไม่ได้ช่วยหรือดูดายด้วยการไม่อยากจะช่วยเหตุการดูดายนี้เป็นการที่แบบว่าไม่สนใจายดีต่อความทุกข์ยากลาบากของผู้อื่นอันนี้ไม่ถูกควรจะมีความสงสารไม่จำเป็นจะต้องออมีความปล่อยวางแล้วจะไม่ช่วยเหลือใครพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยพวกสัตว์โลกตั้งสี่สิบห้าปีเห็นไ สั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดูดายท่านช่วยเหลือด้วยด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาต่อไปจะคุณจินดานะครับทำอย่างไรถึงจะมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะเอาชนะความวิตกกังวลได้ครับก็นั่นแหละก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องเจริญสติบ่อยๆควบคุมความคิดปรุงแต่งนั่งสมาธิทาใจให้สงบ พอเราได้สมาธิเราก็จะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแล้วถ้าอยากใช้เข้มแข็งมากกว่านั้นก็หลังจากออกจากสมาธิก็ให้พิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะมีความเข้มแข็งเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นตเราจะไม่หวั่นไหวกับอะไรต่างๆทั้งทั้งสิ้นจากคุณ น, นายนรงศักด์นะครับทําอย่างไรเวลาที่เราโกรธใครมากๆเราถึงจะควบคุมอารมณ์ได้ครับถ้าเราไม่เคยฝึกพุโทโธไม่ฝึกสติมาก่อนก็ยากนั่ น, นตอนนี้เราต้องมาผัดเจริญสติกันเจริญพุโทโธกันเพราะว่าถ้าเวลามีพุโทโธแล้วเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเราก็สามารถใช้พุโทโธนี้มาระงับได้คุณสมเกียรตินะครับแค่ขณะจิต ท, ที่ว่างแล ะ, แ ล, ะและจากตักกิเลส ไม่พอไม่ต้องพอใจในการเกิดจันิพานได้ใหม่ครับมันต้องไม่ใช่ขณะเดียวมันต้องตลอดเวลาถ้าขณะเดียวนั้นยังเป็นของชั่วคราวอยู่ยังเป็นสมาธิอยู่มันต้องเป็นตลอดเวลาทั้งในขณะอยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิมาใจก็ตัดความอยากได้ทั้งหมดตลอดเวลาครับคุณบ b ีทาง u t u b e รบกวนส่งคำถามใหม่นะครับอ่านไม่รู้เรื่องนะครับ คุณณประพัฒนะครับแม่เป็นคนใจดีและชอบทําบุญทําทานแต่ก็ทําไปตามฐานะแต่แม่ไม่เคยได้สวดมนต์ภาวนาเลยเพราะพ่อชอบดื่มเหล้าแล้วเมามาเสียงดังตอนที่แม่ใกล้เสียชีวิตดิฉันได้นําแม่พุโทโธทั้งคืนแต่แม่มาสิ้นลมตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้นดิฉันไม่ได้นําพุโทโธขณะนั้นเพราะกําลังจัดของเตรียมพาแม่กลับบ้านกันหันไปดูแม่นอนชักน้ํำลายฟูปากกํากลังจะสิ้นใจ ดิฉันรีบวิ่งไปบอกพุโทโธข้างหูแม่สักพักลมหายใจสุดท้ายแม่ก็หายไปดิฉันเลยอยากถามพระอาจารย์ว่าอย่างนี้เรียกว่าแม่ไปสงบได้ไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันเนีย่ยก็เธออยู่ที่นั่นก็ดูเอาเสงว่าสงบหรือไม่สงบถ้าจะสงบไม่สงบมันก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของเราแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของแม่เขาอถามนยังไม่มีครับอาจารย์เอ ใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีวันนี้อาจจะเลิกเร็วหน่อยเพราะฝนฟ้าอากาศมันไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวจะได้มีเวลาเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถกันนะก็ขอยุติการสนทนาตอบถามปัญหาไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป เออ